สิขาบทที่9ว่าด้วยการไม่ถามอุโบสถเป็นต้นเรื่องภิกษุณีไม่ถามอุโบสถไม่ขอโอวาทหนึ่สิบสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีไม่ถามอุโบสถบ้างไม่ขอโอวาทบ้างภิกษุทั้งหลายจึงตำหนิประนามโหนธนาวา่า ะนายพวกพิกษุนีจึงไม่ถามอุโบสดบ้างไม่ขอโอวาสบ้างเล่า